รู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสิบอย่างกล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิ์ที่มักว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นรูปว่า 1. เป็นของว่างจากความเที่ยงความสุขความสวยงามและความเป็นไปตามต้องการ 2. เป็นของว่างเปล่าสเป็นของศูนย์สเป็นของไม่ใช่ตัวตนห้า ไม่มีผู้เป็นใหญ่ 6. ไม่เป็นของที่พึงทำได้ตามต้องการมาปั้นเป็นถ้วยไม่ได้หรือเพราะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่เกิดตามความต้องการของตน 7. เป็นของที่ไม่ได้ตามต้องการ 8. เป็นของที่ไม่เป็นไปตามต้องการ 9. เป็นสิ่งอื่นคือบังคับบัญชาไม่ได้ส0 เป็นของที่สลัดจากความเป็นเหตุและผลคือไม่มีผลในเหตุเหมือนไม่มีวิบากในกรรมและไม่มีเหตุในผลเหมือนไม่มีกรรมในวิบากการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสิบอย่างของนามขันสี่มีเวทนาขันเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้ลักษณะสิบอย่างที่แสดงไว้ในคำพีวิสุทธิมักนั้น ต่างจากลักษณะที่ปรากฏในคำพีจุลนิเทศดังข้อความในคำพีจุลนิเทศว่าอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเห็นโลกว่าว่างเปล่าด้วยลักษณะสิบคือหนึ่งเป็นของว่างสองเป็นของว่างเปล่าสามเป็นของศูน 4. สี่เป็นของไม่ใช่ตัวตนห้าไม่มีแก่นสารหกเป็นเพชฌาต 7. ปราจจกความเจริญ 8. เป็นรากเงาของความชั่วร้าย 9. เป็นอารมณ์ของอสวะ 10. เป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 4. ลักษณะหกประการหลังที่กล่าวไว้ในคำพีจุล น, นิเทศไม่ตรงกับข้อความในคำพีวิสุทธิมักท่านผู้แต่งคำพีวิสุทธิมักคงจะมุ่งแสดงว่าลักษณะความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติรม ต้องท่องจำสาทยายแล้วกำหนดรู้ตามลำดับที่กล่าวไว้แต่เป็นการเห็นประจักลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะที่นับเข้าในไตรลักษณ์อย่างแท้จริงการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสิบประการนั้นจึงกล่าวตามสภาวธรรมที่ปรากฏตามบารมีและอัธยาศัยของบุคคลหลายจาพวกจึงทาให้มีข้อความต่างกันได้ หากผู้ปฏิบัติธรรมต้องจำสาธยายแล้วกำหนดรู้ตามในที่กล่าวไว้ในคมภีวิสุทธิมักก็จะขาดความบริบูรณ์ตามลำดับที่กล่าวไว้ในคัมภีจุลนิเทศและพระอัตถกถาจารย์ก็ไม่น่าจะกล่าวแย้งกับคำพีจุลนิเทศดังนั้นข้อความในคัมภีวิสุทธิมักจึงน่าจะกล่าวไว้เพื่อแสดงสภาวธรรมที่ประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นโลกทัศน์ ภายในของตนไม่ใช่เพื่อในการท่องจำแล้วพิจารณารู้เห็นตามคำบริกรรมการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสิบสองอย่างกล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมักว่า 1. รูปไม่ใช่สัตว์ 2. รูปไม่ใช่ชีวะ 3. รูปไม่ใช่คน 4. รูปไม่ใช่มานพ 5. รูปไม่ใช่หญิงห รูปไม่ใช่ชาย 7. รูปไม่ใช่ตน 8. รูปไม่ใช่ฉัน9รูปไม่ใช่ของตนสิ 10. รูปไม่ใช่ของฉันสิอรูปไม่ใช่ของคนอื่นสิองรูปไม่ใช่ของใครใคแม้การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสิสองอย่างของเวทนาขันเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้ในทั้งสิสองบทนี้ แบทแรกมุ่งคัดค้านอตาัตมนหรือวิญญาณตามที่มีผู้เข้าใจว่าดำรงอยู่ชั่วนิรันดรและเป็นผู้สั่งให้ทำอากับกิริยาต่างๆมีการเดินนั่งเหียดคู้เห็นได้ยินเป็นต้นมิใช่มุ่งคัดค้านความเป็นบุคคลตามภาษาในโลกที่ใช้สื่อสารกันส่วนสี่บทหลังมุ่งคัดค้านความเป็นสิ่งที่เนื่องด้วย อาตามันโดยกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับอาตามันนั้นเลยมิใช่มุ่งคัดค้านตามความหมายของภาษาทางสังคมที่เข้าใจว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของเราอวัยวะของผู้อื่นอวัยวะของเราบุตรดาของผู้อื่นบุตรทดาของเราดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตาม มีผู้พบข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรักษ์นี้แล้วตำหนิคัมภีอัตกระถาว่าพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านอัตมันที่ชาวโลกยึดมั่นว่าเป็นเจ้าของแห่งขันและคงอยู่ตลอดการเป็นต้นไว้ในพระไตรปิฎกแต่ในคัมภีอัตกระถาของพระพุทธโคสาจารได้คัดค้านตามความหมายของการสื่อสารในโลกที่กล่าวว่าเป็นบุคคล บุรุษสตรีคำตำหนิดังกล่าวคงมาจากการไม่ทราบว่าพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวตามคำพีจุรนิเทศและท่านไม่ได้มุ่งจะคัดค้านตามภาษาสื่อสารในสังคมเช่นนั้นจะเห็นได้ว่าท่านมุ่งคัดค้านอัตมาเป็นหลักสำคัญดังข้อความในเรื่องอนัตตาของสมะสน า, านว่าหนึ่ง สามินิวาสิการะกะเวทกาคำว่าอาสารกัดเถนะคือเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหมายความว่าเพราะไม่มีแก่นสารคืออัตตาที่คนเขลาดำริอย่างนี้ว่าอัตตาเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่เสวยผลกรรมสิ่งที่มีอำนาจเหนือร่างกาย หนึ่งโดยเป็นของว่างเปล่าเพราะปราศจากเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่เสวยผลกรรมและสิ่งที่ควบคุมร่างกายสองโดยไม่มีอัตตาเพราะไม่มีความเป็นเจ้าของด้วยตนเองเป็นต้นพระดิกาจารย์ผู้เข้าใจเนื้อหาของพระพุทธพจน์และคำอธิบายในคำภีอัตถกถาอย่างถ่องแท้ ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า 1. ในการกําหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์เป็นต้นนั้นไม่ได้หมายถึงตามข้อความนี้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์ตามคําเรียกของชาวโลกในเรื่องนี้เพราะข้อความนั้นปรากฏแล้วโดยไม่ได้กล่าวไว้ 2. เนื่องจากชาวโลกไม่ได้หมายเอารูปเท่านั้นเป็นสัตว์ส แต่หมายเอาอัตราที่คนนอกศาสนาคาดคิดขึ้น 4. โดยแท้จริงแล้วอัตตานั้นได้ชื่อว่าสัตว์เพราะเป็นที่ยึดติดและยังผู้อื่นให้ยึดติดในรูปเป็นต้น 5. ความหมายก็คือรูปที่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นความดับในปัจจุบันไม่ใช่อัตตานั้น 6. ที่แท้จริงแล้วการกําหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์เป็นการรู้เห็นความว่างเปล่า 7. แม้การกําหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่ชีวะเป็นต้นก็มีในเช่นเดียวกันคาอธิบายเกี่ยวกับสังขารุปเปกขาญาณพึงทราบดังต่อไปนี้ 1. ถามว่าปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกําหนดรู้อีกและวางเฉย อ, อยู่เป็นสังขารุปเปก ข, ขาญาณได้อย่างไร 2. ตอบว่าปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉย อ, อยู่ว่ามีความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตความขวนขวายปฏิสนธิปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉย อ, อยู่ว่าความคับแค้นใจเป็นสังขารุเปกขายานสา ปัญญาที่ต้องการจะปล่อยวางกำหนดรู้อีกและวางเฉย อ, อยู่ว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นสิ่งน่ากลัวมีอาิตรคือวัตทุก์กามคุณและกิเลสความเกิดขึ้นเป็นสังขารคือไม่สงบสุขความคับแค้นใจเป็นสังขารเป็นสังขารุรเปก ข, ขาญาณ ในเรื่องนั้นคําว่ามุนจิตุกรรมยตาปฏิสังขาสันติธนาคือความต้องการจะปล่อยวางกาหนดรู้อีกและวางเฉยอยู่ 2. เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเบื่อนายด้วยนิพพิทายานเบื้องแรกอย่างนี้แล้วความปรารถนาที่จะสละทิ้งความเกิดขึ้นเป็นต้นชื่อว่าความต้องการจะปล่อยวางสา การกำหนดรู้อีกในท่ามกลางเพื่อกระทำเหตุแห่งการปล่อยวางชื่อว่าการกำหนดรู้อีก 4. การปล่อยวางแล้ววางเฉยในที่สุดชื่อว่าการวางเฉยอยู่ความต้องการจะปล่อยวางความเกิดขึ้นเป็นต้นเป็นความต้องการจะปล่อยวางสังขารที่เนื่องด้วยความเกิดขึ้นเป็นต้นและความปรารถนาที่จะสละทิ้งความเกิดขึ้นเป็นต้น ก็เป็นความต้องการจะสละทิ้งความยินดีพอใจที่เนื่องด้วยสังขารดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักอธิบายว่าคำกล่าวว่าอุปทาทีนี้ความเกิดขึ้นเป็นต้นคือสังขารที่กล่าวไว้โดยแสดงไว้ด้วยความเกิดขึ้นและความเป็นไปเป็นต้นคำกล่าวว่าปริจจะชิตตุกามตา ความปรารถนาที่จะสละทิ้งอธิบายได้ว่าความปรารถนาที่จะสละทิ้งด้วยการละความยินดีพอใจที่เนื่องด้วยสังขารนั้นอันหนึ่งยานทั้งสามคือมุนจิตุกรรมยตายานปฏิสังขายานและสังขารุเปก ข, ขายานมีลักษณะเหมือนกันคือรู้เห็นว่าอารมณ์ที่ตนกาหนดรู้ และวิปัสนาจิตเป็นเพียงรูปนามที่ไม่ใช่ตัวตนต่างกันโดยเป็นยานอ่อนปานกลางและแก่กร้าดังคำพีปฏิสัมพิามัคกราวว่ายานเหล่านี้คือมุญจิตตุก ร, รมยะตายานปฏิสังขารยานและสังขารุปเปกขายานมีสภาพเหมือนกันต่างกันโดยสับเท่านั้น โดยเหตุที่ยานเหล่านั้นเป็นยานอย่างเดียวกันโดยสภาวะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่บรรลุมุนจิตตุกรรมยาตายานและปฏิสังขายานแล้วจึงสามารถบรรลุสังขารูเปกขาญาณได้ทันทีบางท่านผู้บรรลุสังขารูเปกขาญาณแล้วได้บรรลุอนุโลมญาณมรกายานแ ล, น ล, นนและผละญาณอย่างรวดเร็ว บางท่านก็ดำรงอยู่ในสังขารุเปกขายานเป็นเวลานานญาณดังกล่าวอาจดำเนินไปตามปกติหรือดำเนินไปดีมากด้วยการรู้เห็นสภาวะธรรมละเอียดมากขึ้นดังคำพีวิสุทธิมากกล่าวว่า 1. อันหนึ่งสังขารุเปกขายานที่บังเกิดขึ้นแล้วนั้นถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสงบโดยความสงบ ก็จะสลัดทิ้งกระแสสังขารทั้งปวงแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานเลยทีเดียวหากยังไม่เห็นพระนิพพานโดยความสงบก็มีสังขารเป็นอารมณ์อย่างเดียวแล้วดําเนินไปอยู่แล้วแล้วเล่าๆเปรียบเหมือนนกกาของพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลเล่ากันมาว่าพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลขณะขึ้นเรือได้จับนกกาที่เรียกว่า ทิศากากะไปด้วยคราวใดเรือถูกลมพายุซัดไปยังประเทศต่างถิน่นฟังก็ไม่ปรากฏคราวนั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นจะปล่อยการู้ทิศไปกานั้นก็โดดจากไม้สลักเสากระโดงเรือขึ้นสู่อากาศแล้วบินไปตามทิศใหญ่ทิศน้อยทั่วทุกทิศถ้ามันเห็นฟัง มันก็จะบินมุ่งหน้าไปยังฝั่งนั้นเลยหากมันไม่เห็นฝั่งมันก็จะบินกลับมาเกาะที่ไม้สลักเสากระโดงเรือนั่นเองครั้งแล้วครั้งเล่าสาสังขารุปเปกขายานก็เหมือนนกกาหาฝั่งเะนนั้นถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสันติโดยความสงบก็สลัดทิ้งกระแสสังขารทั้งหมดแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานทีเดียว 4. ีหากว่ายังไม่เห็นก็มีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละวนเวียนดำเนินไปด้วยกัน 5. ยานี้เหมือนผงแป้งที่ถูกปัดไว้ริมขอบกระดง้งและนุ่นที่คว้านเมล็ดออกแล้วฝัดอยู่กำหนดรู้สังขารโดยประการต่างๆแล้วก็สลัดทิ้งความกลัวและความพึงพอใจ มีใจเป็นกลางในการกําหนดรู้สังขารตั้งอยู่โดยอนุปัสนาสประการคืออนิจจานุปัสนาการตามรู้ว่าไม่เที่ยงทุกขานุปัสนาการตามรู้ว่าเป็นทุกข์และอนัตตานุปัสนาการตามรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนการกล่าวไว้ในคัมภีร์อัตถกถาข้างต้นว่า สังขารูเปกขาญาณรู้เห็นพระนิพพานได้ระบุถึงสังขารูเปกขาญาณที่แก่กล้าดำเนินไปโดยความเป็นวุตถานคามินีวิปัสนาอันพาไปถึงมรรคที่สามารถก่อให้เกิดอนุโลมญาณ น, นับว่ารวมเอาสังขารูเปกขาญาณอนุโลมญาณและโคตรรับภูญาณไว้เป็นญาณเดียวกันโดยสำนวนทางภาษา ที่เรียกว่าเอกัตตนยคือความเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุและผลในกระแส ร, รูปนามอย่างเดียวกันกล่าวโดยตรงคือสังขารุปเปกขา ย, ายานปรากฏขึ้นหลายขณะแล้วบรรลุความแก่กราชัดเจนเป็นพิเศษจึงก่อให้เกิดอนุโลมยานหลังจากนั้นโคตระูยานย่อมเกิดขึ้นด้วยกำลังของอนุโลมยานแล้ว รู้เห็นพระนิพพานหรือแล่นไปสู่พระนิพพานนั่นเองดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมักฌ์มหาดีกาว่า 1. เมื่อความวางเฉยในสังขารปรากฏอยู่โดยแก่กล้าชัดเจนและอาจหารสังขารุปเปขาญาณนั้นดำเนินไปอยู่หลายขณะก็ถึงความเป็นปัจจัยแก่อนุโลมญาณด้วยการบรรลุความแก่กล้า ชื่อว่ารู้เห็นพระนิพพานโดยความสงบ 2. ละยานที่เป็นไปอย่างนั้นชื่อว่าสลัดทิ้งกระแสสังขารแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพาน์ 3. ยานดังกล่าวถูกนำไปสู่ความเป็นยานเดียวกับอนุโลมยานและโคตรรภูยานกล่าวไว้ด้วยประเภทของเอกัตนยัยในสี่ประการพบในคำพีอัตถกาถาและดีกาคือ หเอกตนายความเกี่ยวเนื่องโดยความเป็นเหตุและผลในกระแสรูรปนามอย่างเดียวกันเช่นการกล่าวว่ามรณาสัญชาชนะจิตจุติจิ ต, จตและปฏิสนธิจิตเป็นจิตดวงเดียวกันหรือการกล่าวถึงสังขารูปเปกขายานโดยหมายถึงยานทั้งสที่เกิดต่อเนื่องกันคือสังขารูปเปกขายาน อนุรมยานโคตรปูยาน 2. นานัตตะนายการจำแนกความต่างกันของเหตุและผลเช่นการกล่าวว่ามรณาส น, นาชวานะจิตจุติจิตและปฏิสนธิจิตเป็นจิตคนละดวงกัน 3. พยาปารนายการประศจากความขนขวายของเหตุและผลว่า เหตุยังผลให้เกิดขึ้นหรือผลเกิดจากเหตุ 4. อนุรูปะพลนายการเกิดขึ้นของผลตามสมควรแก่เหตุมีชื่อเรียกว่าเอวังธรรมต า, นาันคือในที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้น อนุโลมยานและปฏิปทายานทศนาัศนวิสุทธิเมื่อสังขารุเปกขายานแก่กร้ามีกำลังพอจะก่อให้เกิดอนุโลมยานอินรีห้าย่อมดำเนินไปสม่ำเสมอกันคือศรัทธาที่มีกำลังทำใจให้จิตพองสาสเป็นพิเศษวิริยะที่ไม่ยิ่งหรือย่อนไปกว่าสมาธิสติ ที่กำหนดรู้เท่าทันอย่างชัดเจนสมาธิตั้งมั่นในสภาวะธรรมปัจจุบันไม่ซัดสายปัญญาคือสังขารูปเปกขายานที่ปรากฏชัดเจนในขณะนั้นผู้ปฏิบัติย่อมรู้สึกว่าตนสามารถรู้เท่าทันสภาวะธรรมอย่างชัดเจนการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ากว่าเดิมแล้วเขาจะรู้เห็นรูปนามที่เกิดดับอยู่นั้น โดยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันสัธิสานุปัสนาวิถีสองหรือสามครั้งเป็นอย่างน้อยคือถ้าวิถีจิตที่หนึ่งรู้เห็นว่าไม่เที่ยงวิถีจิตที่สองและที่สาก็รู้เห็นว่าไม่เที่ยง ถ้าวิถีจิตที่หนึ่งรู้เห็นว่าเป็นทุกข์วิถีจิตที่สองและที่สามก็รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าวิถีจิตที่หนึ่งรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนวิถีจิตที่สองและที่สามก็รู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยงดังกล่าวคืออนิจจลักษณะสิบอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้วความทุกข์คือทุกขลักษณะ25้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตลักษณะ5อย่างใดอย่างหนึ่งสังขารูปเปกขายานสุดท้ายที่นับเข้าในวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันสองหรือสามครั้งชื่อว่าสังข า, ารูปเปกขายานอันถึงที่สุดแล้วและได้ชื่อว่าวุตฐานคามิณีวิปัสนาเพราะนำพาไปถึงมรรค ความจริงยานสามประการคือสังขารุเปกขายานอนุลมยานและโคตรภูยานได้ชื่อว่าวุตถาคามินีเพราะนำพาไปถึงมรรคที่ชื่อว่าวุตานะเพราะได้ออกจากนิมิตคือสังขารเนื่องจากไม่รับเอาสังขารอันเป็นอารมณ์ของวิปัสนา เป็นอารมณ์และออกจากกระแสะกิเลสและวิบากเนื่องจากระ ง, งับกระแสะเหล่านั้นดังคำพีอภิธรรมมัทธสังคหะกล่าวว่าสังขารุปเปกขายานอันถึงที่สุดแล้วพร้อมทั้งอนุโลมญาณเรียกว่าวุตถานคามินีวิปัสนาคือวิปัสนาอันพาไปถึงมรรคหนึ่งเพราะเหตุนั้น ถวุตตถานคามิหนีวิปัสนาเห็นประจักษ์โดยความเป็นอนัตตาก็จะเป็นมรรคที่เรียกว่าสุญญตาวิโมก 2. ถ้าเห็นประจักษ์โดยความไม่เที่ยงก็เป็นมรรคที่เรียกว่าอนิมิตตวิโมก 3. ถ้าเห็นประจักษ์โดยความเป็นทุกข์ก็เป็นมรรคที่เรียกว่าอปปนิหิตตาวิโมก ข้อความนี้หมายความว่าทั้งสังขารุเปกขายานระดับแก่กล้าสูงสุดและอนุโลมญาณได้ชื่อว่าวุตถาคามินีวิปัสนาและถ้าสังขารุเปกขายานทำให้รู้เห็นว่าเป็นอนัตตาอนุโลมญาณก็ทำให้รู้เห็นว่าเป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นโดยหมายเอาวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันนั่นเอง แม้คำพีวิสุทธิ์ที่มาร์กก็อธิบายเรื่องนี้ว่า 1. คําว่าสิกขาปัตตวิปัสสนาก็ดีวุตตถนะคามินีวิปัสสนาก็ดีคําทั้งสองนี้เป็นชื่อของยานทั้งส ม, มีสังขารุเปขายานเป็นต้นนั่นเอง 2. เพราะสังขารุเปขายานนั้นชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเพราะบรรลุ ถ, ถึงที่สุด คือความสูงสุด 3. และชื่อว่าวุตถนาคามินีเพราะพาไปถึงมรรคมรรคได้ชื่อว่าวุตานะเพราะออกจากวัตถุที่กำหนดรู้โดยความเป็นอารมณ์ภายนอกคือรู้เห็นว่าเป็นสิ่งอื่นด้วยวิปัสนาญาณและออกจากกระแสคือกิเลสและวิบากภายใน หความหมายก็คือสืบต่ออยู่กับมรคคำว่าอุตตฐานมีความหมายสองประการคือสภาพออกจากสังขาร น, นิมิตสภาพออกจากกระแสกิเลสวิบากวิธีจิตของสังขารูปเปขา y า k ที่ถึงที่สุดแล้วอันนับเข้าในอุตตฐานนาคามินีวิปัสสนาคือพวังขจละนะ สองครั้งมโนทวาราวัชณะจิตมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุตตชชนะเจ็ดดวงและพวังคจิตที่เกิดต่อไปวิถีจิตนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันสองหรือสามครั้งโดยไม่มีตถารรมนาจิตต่อจากวิปัสนาชวนะจิตที่มีกำลัง ดังอัตถกถาของคำพีวิพังกล่าวว่า 1. ตาธารมย่อมไม่มีแก่วิปัสนาที่มีอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ 2. ตาธารมย่อมไม่มีแก่วิปัสนาที่มีกำลังชื่อว่าวุตถานาคามินีเมื่อวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันปรากฏขึ้นสองหรือสามครั้งแล้ว ผวังคจิตย่อมเกิดขึ้นต่อจากชวนาจิตดวงที่เจ็แล้วเกิดมโมทวาราวัชนะจิตอันใกล้ครวนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือความไม่ใช่ตัวตนของรูปหรือนามที่ปรากฏความเกิดดับอยู่เหมือนกับอารมณ์ของวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันก่อนหลังจากนั้นก็เกิดชวนาจิตสามดวง ที่รู้เห็นรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เหมือนวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันก่อนนั้นโดยชาวนาจิตดวงแรกชื่อว่าบอริกรรมจิตปรุงแต่งให้เกิดอปนาชวนะคือมร์ดวงที่สองชื่อว่าอุปจาระจิตอยู่ใกล้กับอปนาชาวนาคือมร์ดวงที่สามชื่อว่าอนุโลม จิตที่คล้อยตามวิปาาัสนาญาณเบื้องแรกมีอุทพยญาณเป็นต้นและโพธิปักคียธรรมเบื้องหลังที่นับเข้าในมัคจิตตุบาทชื่อทั้งสามข้างต้นเป็นชื่อเฉพาะของกามชวนะจิตสามดวงโดยทั่วไปเรียกอาเสวณะบริกรรมอุปจาระอนุโลม ปัญญาที่เกิดขึ้นในอนุโลมสามดวงเหล่านี้ชื่อว่าอนุโลมญาณอันหนึ่งอวัชนะจิตและอนุโลม3ามดวงเหล่านี้ย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนการรู้เห็นเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับการที่เขารู้เห็นเพียงครั้งเดียวในขณะกำหนดว่า เห็นหนอได้ยินหนอเป็นต้นโดยไม่อาจแยกเป็นอาวัชนะจิตและชวนะจิตเจ็ดดวงหลักฐานที่กล่าวถึงวิปัสนาชวนะจิตเจ็ดดวงและวิถีจิตที่เกิดซ้ำกันคือทิสานุปัสนาวิถีสองหรือสวิถีพบในคัมภี์อัตถกถา และดีกาดังนี้หนึ่งสังขารูเปกขายานในขณะที่มรรคจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นนบัตินี้ย่อมรู้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างลงสู่ผวังสองในลำดับต่อจากผวังมโนทวารวัชณะจิตย่อมเกิดขึ้น ทำสังขารเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนตามนายเดียวกับที่สังขารุเปกขายานกระทำมาแล้ว 3. หลังจากนั้นชวนาจิตดวงที่หนึ่งคืออนุโลมญาณที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าบริกรรมที่เกิดสืบต่อติดตามไม่มีระหว่างขั้นทำสังขารเป็นอารมณ์เหมือนการรู้เห็นของสังขารุเปกขายาน ในวิถีจิตสองหรือสามวิถีก่อนนั้นย่อมเกิดต่อจากกิริยาจิตนั้นคือมโนทวาราวัชนะจิต ท, ที่ตัดภวังเกิดขึ้นหนึ่งคำว่าอนิจจเตวาทุกขาติวาอนัตตาติวาสมสิตวาภวังคังโอตรติ ย่อมรู้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนแล้วยังลงสู่พวังหมายความว่าสังขารุูปเปกขายานย่อมรู้เห็นโดยลักษณะหนึ่งในอนิจจลักษณะเป็นต้นดำเนินไปเจ็ดครั้งแล้วชื่อว่ายัางลงสู่พวัง 2. พระอัตถกถาจาร์กล่าวไว้ โดยมุ่งหมายว่าวาระของพวังย่อมมีต่อจากชวนาจิตที่เป็นสังขารูเปกขายานอันเป็นวุตฐานคามินีนั้น 3. คํคำว่าตาเทวะเหมือนการรู้เห็นของสังขารูเปกขายานในวิถีจิตสองหรือสวิถีก่อนนั้นหมายความว่าสังขารูเปกขายานในวิถีจิตสองหรือสวิถีก่อนได้รับเอาสังขาร เป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนฉัน้นใดชวนาจิตดวงที่หนึ่งก็ทำสังขารเป็นอารมณ์ฉันนั้น